บวชทั้งทีเอาดีให้ได้คนที่มาบวชกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะสอบถามเคยบวชมาไหมถ้าเป็นข้าราชการลามาบวชแล้วก็สึกไปรับบวชแต่ถ้าคนที่บวชมาได้ 10, สิบพรรษา20พรรษาถ้าสึกไปแล้วมาขอบวชอีกหลวงพ่อจะไม่รับเลยคือบวชมา 10, สาิบพรรษา20่พรรษาก็ยังเอาตัวรอดไม่ได้และกลับมาบวชอีก มันก็คือเก่านั่นแหละยังมีหลวงตาองค์หนึ่งบวชมา20กว่าพรรษาศึกไปมีครอบครัวภายหลังนี้ก็มาบวชอีกมาบวชแล้วก็มาอยู่ที่วัดป่าสารวันมาบอกว่าอยากจะได้เงินสร้างมูลนิธิให้คณะสงฆ์หน้าที่อุปัชาก็ยกถวายหมดแบกเงินไปทีละสองถึงสามแสนและยังไม่พอใจยังไปสร้างเหรียญก็มานั่งขายเหรียญตัวเอง หลวงพ่อก็ว่าเอาไปขายโน่นกันลสินของท่านเดอ้อเครียดหาว่าหลวงพ่อไล่ก็เลยหนีไปเดี๋ยวเนี้ยประนามวัดป่าสารวันกูไม่ไปเหยียบมันอีกแล้ววัดป่าสารวันหลวงพ่อเนี่ยเพื่อนฝูงมันเกลียดขี้หน้าเพราะขัดผลประโยชน์เขาใครจะทำอะไรมาซื้อมาขายนี่ขัดขวางถ้าอยากเป็นพ่อค้าศึกไปคา้าเสียให้มันเต็มที่ อย่ามาอาศัยผ้าเหลืองเป็นพ่อค้าพ่อขายอยู่เนี่มันไม่ดีหรอกหลวงพ่อนี่เตือนเตือนหมูหลวงพ่อก็เป็นคนที่มีพื้นเพอยอยู่ในระดับต่ำๆการศึกษาก็น้อยตระกูลก็ต่ำเป็นลูกชาวไร่ชาวนาก็เตือนหมูว่าพวกเราเนี่ยบวชเข้ามาแล้วต้องศึกษาธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มันเหนือคนทั้งหลาย ถ้าเราอ่อนข้อแล้วจะเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของชนชั้นปัญญาชนได้เด็กคำนี้แหละเปือนหมู่กันอยู่หลวงพ่อมานั่งวิจัยคนอยู่นี่คนระดับที่มีฐานะดีมีการศึกษาสูงพวกเนี้ยสลับมาบวชแล้วรู้สึกว่าจะเอาจริงพวกคนระดับกลางๆนี่ก็พอใช้ได้แต่หากว่าคนระดับที่มีการศึกษาต่าฐานะด้อยเข้ามาแล้วพอได้รับความสุขลืมตัว เพราะฉะนั้นคนอีสานเราโดยทั่วๆไปเนี่ยพากันยากกันจนเพราะได้ดีแล้วลืมความหลังพอมีอะไรขึ้นมาหน่อยมีรถยนต์รับส่งคนโดยสารจากอำเภอไปบ้านนอกมีลูกมีเต้าไม่มีใครเรียกลูกตัวเองว่าอาเสียตัวเองเรียกเอาเอง